เป็นที่มาของฝุ่นละอองขอเพลินโลกให้พอก่อนก็แล้วกันแล้วตอนแก่ค่อยหันกลับมาปฏิบัติธรรมใหม่พอถึงหวัยหมดหวังหมดอนาคตรจริงๆค่อยคิดบวชสละโลกให้เป็นเรื่องเป็นราวอีกทีจิตหดหู่พาความคิดฉันไปไหนต่อไหนเรื่อยคืนนั้นฉันโยนสมุดพกทิ้งทางขยะ